ในพุทธศาสนาต้องเป็นหัวเลือดอันหนึ่งต้องมีเครื่องเลือดมีอันเลือดอันหนึง่งไม่ได้ติ่งอยู่เฉยๆทำเป็นเครื่องดูของท่านจะตงยกตัวอย่างเช่น ถ้ามหาสัจะป็ท่านก็เป็นโพเลศอยู่ในตุลุงสามพ่อที่อยู่ในป่าเป็นนิสัยของท่านให้ท่านบรรุมรรคผลนิพพานอันนี้ไม่ลืมท่านไม่ได้ประมาทมันเป็นจิต่านหนึ่งที่เนื่องอยู่ในจิตของท่านเป็นมิสยัยเ คล้ายว่าเป็นทำเครื่องอยู่ของท่านเป็นเครเลิศในพุทธศาสนาของเราทุกคนเราตลอดทุกวันนี้ก่อเมือนกันที่เราอยู่ในพุทธศาสนานี้ในขุนภูมเราอยู่ด้วยกันจะต้องอาศัยซึ่งกันแลกันจะต้องมีเครื่องเลือดไม่ว่านุมน่มหรือแก่จะต้องมีเครื่องอันหนึ่ง ไม่พูดถึงมนุษย์แต่เราพูดถึงสัตว์ก็ได้พูดถึงสัตว์ก็ได้มันต้องมีดีไสนของมันเป็นเครื่องแปลกสัตว์อย่างอื่นอีกอย่างหนึง่งพระเนรเรานี่ยกูมันกันเช่นพระโมคคันลาท่านก็นเลิศในทางขีปีริศเป็นคุณสมบัติของท่าน ภาษาริบุตรท่านก็เป็นผู้เลศทางปัญญาเป็นผู้เลื่อนองเงินก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าถึงภาษาริบุตรภาษาริบุตรท่านเป็นผู้เลืทางปัญญาไอ้ผู้มีปัญญานี่ก็ช่วยเหลือเครือภูนพระสงฆ์ักพุทธศาสนาเป็นผู้มีฤทธ แต่ท่านก็ไม่ติดในฤทธิ์ก็เป็นเหตุให้คนประชาชนเรื่องใสเข้ามาในปรัชญาศาสนานี้ได้ น, นี่เหมือนกันเราเราคนคิดอย่างนี้ <c oughs> อย่างพระ อ, อ น, นุนก็เป็นผู้เริศในทงางอุปถาก็ดัสนใจ มันตน้องมีประจำใจอยู่บางท่านบางองค์ชอบสะอาดคอยใจเช่นอะไรภาษาที่บุตรยังไงจำไว้ถจะให้ถึงแม่ท่านาจะห่มผ้ายีบรเอ <c oughs> มือท่านใส่ดุกดุมอยู่อย่างนี้ท่านมองมองดูลานวัด ท, ทางจงกรมที่ว่ามันมี ใบไม้มันมีละอองต่างๆอยู่ที่มันอีกหวงกันก็เอาตีนเขี่ยมันมีอยู่นั้น ม, มันเป็นชนวนอยู่นั้นคนที่ชอบอันละหยายดไปดูที่ไหนเกะกะไม่ได้ที่ต้องจับออกที่ต้องให้มันละเอียดเรียบร้อยเพราะสันเ็นว่า การสังวรสังรวมรู้จักความศักประโบข้างนอกอย่างตัวเสนาสนะท่านก็รู้จักเครื่องศักประโบอธิมันถูกกายของท่านถูกกีวรของท่านรู้จักของศักประโรู้จักเครื่องศักประเรื่องถูกกีวรของท่านอาชาวะทั้งหลายที่จะมาเกาะจิตใจของท่านให้สมองท่านก็รู้จักรีบแก้ไขรีบสะสางตรวจตาอยู่เสมอ เป็นผู้เลิศอืมเป็นผู้เลิศอันนี้เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนที่จะอยู่ไปได้โดยธรรมเลิศในธรรมจะต้องมีเครื่องหมายอย่างนี้ไว้ในใจทุกท่านทุกท่านถึงแม้ว่าจะสวดได้ก็ตามสวดไม่ได้ก็ตามจะช้าก็ตามจะเร็วก็ตามเป็นต้นจะต้องมีธรรมะประจํานั่นอ่ะ บางคนก็ชอบพูดมากอดไม่ได้แต่พูดเป็นธรร ม, มอย่างนี้ก็มีบางคนชอบพูด น, น้อยทำ ม, มากๆก็มีมันต้องมีเครื่องเลือดอยู่ในใจช่วยกันในกลุ่มนั่นจึงเจริญขึ้นนอง ต, ต, ตัวตัวตัวดิบางองค์ก็เลิศดในการทำก็เพียนอดทนอยาน สารพัดอย่างเือ <c oughs> ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนุ่มปานกลางท่านให้เคารพทั้งผู้เฒ่าผู้ปานกลางผู้ห น, นุ่มนี่จิตใจของท่านจะเป็นอะไรตั้งแต่เคารพทั้งหมดท่านไม่ฝ่าฝืน ไม่มัดมัดใหญ่ใยสูงต้องมองดูเสมอตัวเสมอไม่ก้าวกายอันนี้ท่านอยู่ในความไม่ประมาทคนแกถึงแม้ว่าเรียแรงไม่มีอย่างราชภ า, าเป็นต้นทำอะไรไม่ได้แต่ท่านก็เริิดเดือดในทางเกียวะสอน ง, ง่าย หลวงตาในปัจจุบันมีมีกี่องค์ไหมเดิอดมีใครเลิอดไหมดูในใ จ, ข, จของเจ้าของเนี่ยเป็นใจใดพอเลิอดกับเขาไหมนี่อย่างนี้อันนี้ก็ฟังแล้วเนี่ยเราจะพามันเลือด ก, กันเนี่ะไม่ไม่ได้อะไรเลยจะสอนง่ายภาษาดีบุตรท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านสอนว่าท่านจะต้องทําอย่างนี้ก็ทํา อันนี้ท่านก็อยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ท่านจงไปที่นั่นท่านก็ไปเนี่ยลาท้าพรามณนี่จนเป็นคนดูไม่ออกเหมือนกเป็นคนแก่จะไปขอบวชที่ไหนเขาก็ไม่บวชให้เพราะม็นคนแก่แล้วบวชไปทำํำไมคนแก่เนี่ยเข้าเข็นน้องตามาหลายชาติกเลยเห็นน้องตาเลยเลยรวมกันหมดไม่ชอบ ลาธพรามในสมัยนั้นออกจากวัดนั่นไปวัดนี่ออกจากวัดนี่ไปวัดนั่นไม่มีใครให้อยู่แค่ขอบวชพระพุทธองค์ท่านมาทรงเห็นปัปณิสัยของราธพรามว่าถ้าเราไม่ให้ที่พึ่งราธพรามนี่ก็จะขาดทีพพึ่งนอกจากเราไปแล้วก็ ราษฎรพาหมณ์นี่จะเป็นวิธีพึ่งท่านปีเาริญแล้วงนั้ น, นมาประชุมสงฆ์ท่านก็รเรียงสงฆ์ให้สร้าบจะบวดราษฎร์ไม่มีใครบวชไม่มีแค่เอามีนะคงเคยถูกเลยแ ก, แกไม่น่าจะเอาแล้วทิ้งไว้งั้นเต็มดีก็มีนะ มันดูข้างไปมันดีนี้ีมันดีนี้นี่มันไม่แน่หรอกอันนี้มันไม่แน่อันเครื่องเลิดของคนคุณสมบัติของมนุษย์นี่มันมีในใจพระพุทธเองค์ประกาศสงว่าใครเห็นอุปการะของราตพาวหรือไม่ภาษาดิบุตริถ้าพระองค์กระจะกตาเห็นดี ความดีความชอบของราษฎรเก อ, อุปกรไม่ในสมัยหนึ่งถ้าพระองค์ก็ไปเบิณฑบาตในบ้านนั้นราธฎรมใสบาตรนี่ะพีนี่เรียกว่าอุปการะอุปการะของอาภาษารีบุตรท่านไม่ลืมเนี่ยแม่ข้าวตะพีเดียวเท่านั้นนะ ไม่ได้จำนะมันติดอยู่ในใจของท่านราธฟามจะไปที่นั้นท่านก็มองเห็นว่าวันนั้นถ้าขาดข้าวในตะพีนั้นอะทีวิตของท่านก็จะนิดเหนื่อยวันปฏิบัติธรรมก็จะไม่เป็นไปเราปฏิบัติธรรมเป็นไปมาตลอดทุกวันนี้เพราะมีส่วนของราธฟามคือข้าวตะพีนั้นเหมือนกันเห็นเวาลาอย่างข้าอย่างนั้นก็ให้พระสารีบุตร เอาคนแก่ไปบวชซะพราชายที่บวชก็ับไปสวงองค์เงินทิ้งหมดแล้วเอาไปบวชโอ้ยไปแนะนําธรรมสอนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทุกอย่างอะยอมยอมเท่านั้นแหละละเท่านั้นแหะยอมเท่านั้นแ่ะทิสจี่ลาบลงไปใช่ไ ออกพรษาแล้วกลับมาน้มัตการพระบรมศา ส, สดาของเราพระชนมศาศา์ศาสดาสันธามะทันทัศาาดิบุตรอ่าข้าพุทธเอาไปยังไงดุจจิตแกแก่ไปยังไงภาษาดิบุตรตอบว่าคนแก่นี่ดีมากสอนง่ายที่สุดบอกให้ไปก็ไปบอกให้หยุดก็หยุดบอกยังไงได้อย่างงั้นเลยเรียบร้อยเท่า น, นั้น พาพพุทธองค์ในยกกันเลยราธปาฏิมนี่แน่เป็นผู้เลิศกว่าพิกษุทั้งหลายในพุทธศาสตร์ก็นเอาง่ายลักษณะนี้มีบ้างหรือเปล่า น, นี่อันนี้ก็คุณสมบัติของคนแก่เหมือนกันไม่ควรทิ้งเหมือนกันให้เข้าใจให้ดีๆนั่นจะต้องมี <c oughs> การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ต่าง่า เครื่องเรือเป็นผู้เรือเป็นผู้เรือในทางที่มักน้อยสันโดษอย่างนี้ก็มีทุกอย่างเลิอแล้วมันมคืนคลายได้เลยติดในส้นดานอยู่ดีื่อยไปอันนี้เป็นคุณธรรมประจําใจของกุนบุหุลูกหลานที่บวชในพุทธศาสนาอันนี้ขอให้มีในใจของเราทุกคน คนดูว่ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อเป็นเด็กนามาบวชขนาดนี้หรืออยู่มาจนแก่ปานนี้แล้วจนอายุสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีปานนี้แล้วมีอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่นี่ให้เราซึนึกในใจของเราเสม อ, อมนึกในใจมันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อานาจเรานะเราได้อยู่สบาย อะไรสบายมันเป็ น, รรน อ, ปอำนาจของธรรมะปฏิบัติธรรมะอำนาจของธรรมะก็คือเราปราบพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเงินธรรมะผู้ปฏิบัติในธรรมแล้วจึงบรรลุ ถ, ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเรา ผู้ไรเห็นเราคนนั่นก็เห็นธรรมตกตงนั่นก็คือธรรมนั่นนะคือพระพุทธเจ้าถ้าใครมีความประมาทแล้วก็ไม่บรรลุธรรมะก็คือไม่ถึงพระพุทธเจ้านะเองไม่ได้กราาพระพุทธเจ้ามไม่ไม่ได้กร้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรมมธรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้านี่ เรายังไม่เห็นมันยังไม่ถึงอย่างนี้เราไม่รู้จกักเหมือนกันกับเราทุกวันนี้เป็นเด็กมองหาคนแก่ไม่มีนะมองหาคนแก่ไม่เห็นเห็นแต่นู้คนแก่ๆเราน่ๆเราไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็น ไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้คนแก่มันอยู่ด้วยเราเนี่เองอยู่กับเด็กนี่แหละอยู่กับเราเนี่เราอยู่ไปสิตั้งแต่เราเกิดมาอยู่ไปอยู่ไปหลายปีหลายเดือนไปไปไ ป, ไปพบกับคนแก่ลนะน่ะคนแก่มันอยู่ตรงไหนละมันอยู่กับเราเนี่แหละอยู่กับคนหนุ่มเนี่ยนะถ้าเราไม่ตายไม่ไปไหนพบคนแก่อันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามใจ อย่างจงใจปฏิบัติของเราจะพบธรรมะคือพระพุเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้เราจงต้งเตือนตัวเราเองเตือนเสมอถ้าเราไม่เตือนตัวของเราไม่ได้นะเราจะอยู่ดีกินดีปฏิบัติทั้งๆนี่มันดืมตัวจะเห็นว่าเราเป็นนั่นเห็นว่าเราเป็นนี่เห็นว่าเราดีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น มันดีเพราะพระพุทธเจ้ารีเพราะเราปฏิบัติธรรมะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เป็นเพราะเราพูดง่ายๆวัตถุอนันนี้บางคนแว่บุญเราหลายสร้างโบทนี่ได้แล้วไม่ดูเรื่องอันนี้อำนาจของธรรมะอันนี้อานาจของพระพุทธเจ้าจะอานาจของเราเมื่อไรละ่ะใช่ไหมถ้าเราทิ้งการปฏิบตัติดูทิ มันจะเป็นไงไหมแต่ว่าทุกวันมันมีสิ่งหลอกลวงนหะนักตาคนไม่ถึงมันก็ได้อย่างนี้มันเป็นบวชมาในพุทธศาสนาแล้วผมก็เคยย้ำเสมอว่าหน้าที่ของเราจะทำอย่างไงการสวดมนต์ทมวัเดเล็กๆในน้อยอย่างนี้ยบางคนก็จะไม่ว่ามันเป็นไปด้วย อ, อย่างนี้ อยู่สบายกินสบายผมนึกว่าเราไม่มีอะไรผมนึกว่ามันมีอะไรแต่ว่าถ้ามันขาดที่พึ่งแล้วเมื่อไรนะมันจะไม่สบายนะไม่สบายพูดถึงเรื่องเห็นง่ายๆสมัยก่อนนะผมอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นพระน้อยเ น, น้น้อยสบายไม่ต้องท่องสมบนอะไรก็ได้ อวิสัยโลกเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปสวดมนต์ทำมัดกันหนังเจ๊ยยแต่ไดน้นะอืมเราได้กินเหมือนกันไปอยู่เหมือนกันสบายไม่รู้ขี้เกียจไปถึงคราวที่ครูบาอาจารย์หนีเราไม่อยู่ซะแล้วอา้าวโยมถือดอไกไม้เข้ามาในวัดโอ้มันรอดว่าว่าว่าซะแล้วอืม นึกถึงยาถาสพีก็ไม่ได้ยึดนึกถึงยานทุนก็ไม่ได้นึกถึงยาหนีก็ไม่ได้วุ่นคอแห้งไม่อยากที่ข้าวแต่เดยวนี้กลัวอยู่เนี่ยมันไม่มีความกล้าหาญจะไปทําอะไรก็บํ้บากรว่าสัดเคสักกีก็มีจรู้ดีญาตินีกลัวเนี่ยไม่มีความกล้าหาญพูดไม่ได้กลัวมันจะผิด เพราะเราไม่ใส่ใจของเรานี่เองอันนี้เป็นสิ่งสีง่งสคัญระวังนะนี่ค็ระวงังระวังไว้นี่ฉะนั้นจันทริจึงเป็นคนเลิศเป็นผู้เลิศอย่างหนึ่งก็อดทนเป็นเพื่อในทางอดทนยกตัวอย่างที่พระอะไรพระอะไรเป็นเป็นคนจีนเะน่ยที่มาอยู่กับเราเนะี่ยเมียงชุยเมียงชุย นี่ท่านนี่เลิอดอย่างหนึ่งเหมือนกันเลือดในการปฏิบัติปวดเช็ดอตสถานที่ต่างๆเช็คทําความสะอาดพระพุทธรูปทําความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยให้จะช่วยก็ช่วยให้เจ้ไม่ช่วยก็ยจางไคฮะเั่งของทํานพี่สบายใครจะว่าอย่างไงก็ว่าไม่ว่าก็จังไ้ทำได้เรื่อยนั่นเออ มันมันมั น, ม, นมันทําด้วยศรัทธาจริงๆรงิท่านก็ทำก่อนอยู่นี่ท่านก็ทําไปวัดนั่น่ก็ทําทําอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นบางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นของเราถึงทําคนอื่นเราไม่ถึงทำเนี่ยมันเป็ น, ออ น, น, นซะอย่างนั้นเมี่ยงซุยแกทําอย่างนั้นไม่ดูใครทํำเรื่อยอันนี้แปลกันแต่วทา่านปีที่ตะชาต น่าจะเบื่อจะไหนท่านก็ไม่เบื่อไม่ไน่ายทำอยู่อย่างนี้นีน่ยิ้มแย้มแจ่มใสใครจะไปว่าสูงๆต่ำๆก็ไม่งุศิช่วยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นของแปลกนี่ดังนั้นทุกคนการประพฤติปฏิบัตินี้ ก้ากดกันเร็วกกันถ้าพูดถึงกิเลสอันที่เราเห็นกันง่ายๆทุกวันอย่างเป็นครูบาอาจารย์เขาเออพระนั้นคุณต้องทำนี่นะเนี่ยนี่คุณต้องทำอย่างนั้นถ้าเขาทำตามใจเราก็สบายนะไม่มีกิเลสเหมือนมันไม่มีนะ กลับมาแล้วก็อันนั้นก็ยังตั้งอย่างเราเข้าไปต้องทาเอาเนี่ยทําให้ไม่ทํำนี่ผมไม่อยากทําโอ้โหมันจะตายสิเดี๋ยวนั่นกิเลสมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เขาไม่ทําตามใจเรานั่นถ้าเขาทำตามใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรือมันบางกิเลสมันหมดมันเหลืออยู่อย่างนี้นะกิเลสนี่นะเข้าใจกันไหมกิเลสมันเหลืออยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ได้ใจเราแล้วมันหมดกิเลสไม่ได้อย่างนั้นบางทีมันไม่ได้ใจเราอื กิเลสมัเกิดขึ้นไม่เกิดทีไห น, นมันมีอยู่นั่นแหละมันยังไม่โฟูขึ้นมาเท่านั้นแหละดังนั้นคนเราชอบกันประมาณเราอยู่สบายเรากินสบายเราก็อยู่นีอยู่นี่ที่ที่อยู่เลยไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวบวชก็เหมือนปลูกต้นไม้ก็เหมือนการปลูกต้นไม้มันง่ายหรอใครจะมาปลูกก็ได้ แต่มันสำคัญที่รดน้ำมันมปลูกไปเท่าทั่ววัดตายหมดไม่ต้องรดน้ำใครปลูกก็ไดนะ้ปลูกไม่ต้องรดน้ำแต่มันไม่เกิดผล ม, มันลำบากที่รดน้ำถ้าปลูกจนไม้แล้วสร้างโบสถ์ดังนี้ก็ไม่ยากเลยปีสองปีเสร็จแล้วมันลำบากที่สร้างเสร็จได้ที่จะกวาดที่รักษามันนี้ยังไม่เคยเสร็จเด้นี่ ยังมีอีกต่อไปมันจะกวชจะทําเรื่อยไปอันนี้มันลาบากมากที่สุดแล้วนี่คือการปฏิบัติมันเอง น, นี้การบวชนี่มันก็ไม่ยากครับเมื่อวานนี่เป็นลูกของชาวบ้านนี่วันนี้ก็มาบวชเป็นพระก็ได้อแต่ว่าบวชนี่หละบวชมาแล้วมันสาคัญบวชเนี่ยเหมือนบวชไม่สาคัญแต่บวชมาแล้วนี่มันสําคัญอปลูกต้นไม้ก็ไม่สาคัญ มันสำคัญที่ปลูกแรวมันมีใครรดน้ำนี่การรู้มันก็ไม่สำคัญนะการปฏิบัตินี่มันสำคัญมากปฏิบัติสำคัญมากถ้าไม่ปฏิบัติแน่ไม่ได้จะต้องปฏิบัติดังนั้นพระผู้มีพระภาคของเราจันร์จึงสันเสริญข้อปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตแิแนวมันก็เสียมันไม่เกิดผลอะไรแล้ว อย่างนั้นคุณบุตรลูกหลานเราที่เจริญรอยตามองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นครูบาอาจารย์ของเราท่านมองเห็นเหตุหการณ์ไกลแต่ก็สอนสอนลูกสอนหลานสอนพระเล็กเน้นน้อยให้ประพฤติปฏิบัติก็ยากยากลำบากทำไมมันไม่รู้จักมันไม่รู้จักเหมือนกับ มันกับลูกของญาติโยมอ่ะมันเรียกญาติเรื้เกินมันขี้เกียจไหนมาทํางานมันก็ไม่อยากทําอยากได้เงินขอเงินหนักเก่เงในทํางานนั้นน่ะอยากจะทํานะลูกญาติโยมชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นลูกพระพุทธเจ้าที่ยังไม่เป็นลูกแท้ๆก็เป็นอย่างนั้นีบอกนี่เทรดไปนั่นบอกนั่นเทรดไปนี่อยู่นั้นแหละโกหกเจ้าของอยู่ตลอดไป อันนั่นชื่อว่าเกิดมาแล้วยังไม่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์อมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนมนุษย์ subjects. จะไม่สมบูรณ์นั่นแหละมีตาข้างเดียวดีไหมมีจมูกข้างเดียวดีไหมมีหูข้างเดียวดีไหมมีแขนข้างเดียวดีไหมนั่นเรียกว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์มีขาข้างเดียวดีไหมมันไม่สมบูรณ์ บิ่งแข่งก็คนสองขาเอาไหมแต่มันสมบูรณ์ดีไหมนี่ไม่สมบูรณ์ตรงนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นนี่แหละถ้าพูดแล้วถ้าเราไม่ปลูกใจตัวเราเองใครจะปลูกใจเราอืเราต้องปลูกใจตัวของเราเองทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท่านอืทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องปฏิบัติกันอืม ในครั้งคุตการต้องมีผู้เลิศอย่างพโมโอคาลาตเท่านี้แหละไม่น่าจะให้ทันเลิศเลยนะทำไมพระโอกาลานนีินะ่ะข้าหม่ๆห ม, ม, ม, ม่ไม่อยากจะใช้อะไรใส่แกนหนูเนี่ยมันดำผมสีดาสีข้ามอย่างนั้นแหละเออคนไม่ชอบแต่อย่างนั้นชอบสีสดใสพระโคกาลาตจะไปในที่ประชุมใหญ่ก็ห่มอย่างนั้น ป, <ล> ะ, ปะปะปุยเปะอย่างนั้นแหลจะไปที่คนมากท่านก็อยู่อย่างนั้นไปที่คนน้อยก็อยู่อย่างนั้นเข้าในชนบทในบ้านก็ทําอย่างอย่างนั้นเข้าในป่าท่านก็อยู่อย่างนั้นอนุ่มผมเส้าหมองอยู่อย่างนั้นถ้าปรมศาสสาท่านเห็นพระโมการาชเป็นอย่างนั้นท่านก็เอ้ยพระโมการาชนี้เป็นผู้เลิศในการถือผ้าเส้าหมองใน ในพุทธศาสนานี้มีองค์เดียวองค์อื่นก็มีเหมือนกันแต่มันไม่เลิศองค์นี้เลิศหลายนี่นะไม่ต้องจะทกสะท่านนี่นี่แต่ท่านตรงตรงในใจของท่านอื่นๆนั่นโอ้ยจะต้องถือมีผ้าสดใสาอายเข้าไปในบ้านผ้าไม่นสดใสาอายอายไม่ออกสาวอือายกลัวเขาจะว่ายอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ ย, ยแต่บริโภคเป็นตัญหา นุ่มผมเป็นตันหาอยู่กินเป็นตัญหาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ทางมรรคผลิพานอันนี้ให้เราพิจารณาถ้าเรารู้จักเรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็รูจะกข้อปฏิบัติตื่นง่ายลุกง่ายตื่นง่ายว่องไวจิตใจพิจารณาตัวอยู่เสมอเสมอเท่านั้นนะเราจะคอยวันเวลามันนะ เมื่อเวลาเรายังหนุ่มน้อยไม่มีโรคไม่ปัยมันเกิดประมาทพิจารณาถึงความเจ็บมันก็ไม่เห็นเจ็บพิจารณาถึงความแก่มันก็ไม่เห็นแก่มันแน่นหนาเท่านั้นมันตึงตามันไม่เห็นคืออยู่ไปมาในพิจารณาอยู่ไปแก่ไปแก่ไปเป็นเป็นโรคมันเจ็บเลยมันเจ็บมันปวดเจ็บปวดก็ไม่เห็นอีกล่ะคือ แม่ end. ถ้าไม่เก็บนี่เราจะภาวนาได้ดีมม่อันนี้มันเก็บซะเนี่ยมันป่วยมันแก่ซะนี่แก่แล้วก็ยังไม่เห็นแก่อีกอืแต่ก่อนมันหนุ่มจ้ะพีจารณาไม่เห็นความแก่เลยนี่แต่มันหนุ่มน้อยเมื่อมันแก่แล้วก็อือแม่มันแก่ซ่วะถ้ามันแก่ก็จะดียังไม่เห็นอีกเหรอจนตายเลยหนุ่มก็ไม่เห็นหนุ่มแก่ก็ไม่เห็นแก่ได้จนตายได้ เคยได้ยินมแม่ขาวแม่ชีพระธาตุนิ่งๆใหญ่ๆโอ้ยปีนี่ผมป่วยกะทำปีเลยไม่ได้ทําเพียรเลยเนี่ยอืไม่รู้ว่าเป็นไงป่วยนี่คือคนโง่ป่วยนี่ทํางานทําใจแล้วนี่ยมันจะตายเมื่อไรเนาะเนี่ยมันจะคิดกันมาง่ายๆเออนี่ถ้ามันป่วยแล้วก็ เสียอกเสียใจกลัวจะตายจะแล้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ภาวนาจะแล้วเนี่ยมันน่าจะขยันเข้ามันจะตายเมื่อนั้นเนี่ยน่าจะเล่งไอความคิดดิ่งการกิริยาเข้านนเนี่ยต้องพยายามรักษาเนื้อเกินในมันหายที่เกี่ยวกภาวนาเนี่ยบางทีก็กินยาหายไปเลิก อ, อีกซะแล้วมีแรงเนี่ยไม่ต้องภาวนาอีกแล้วน่าเรึงบันเทิงไปอีกโคนหลงกระหลงจนตายเลย แก่มันก็หลงหนุ่มมันก็หลงเจ็บมันก็หลงไม่เจ็บมันก็หลงจนตายอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าอุอตโอมท่านจะสอนง่ไงไงอัตโนโจโยัตยานังจบเตือนตนโดยตนเองนี่ิพห่าวันประชุมกันที่นี่พระจริงเลอาจารย์ทางไหนจริงเลยพูดให้ฟังนี่อิแรมปีก็ ไม่ได้ยินท่าพูดนี่อาศัยผู้ื่นเตือนเราอัตโนโจโูทะยจันังจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าเรารู้จักว่าเราเตือนตัวเองนะนุ้ยมันฟังทำทุกคณะ น, นะแนะจะไปตรงไหนเนะี่ยไม่เตือน ท, ทีนึงนี่ไม่เตือนเท่ามาแล้วก็หลงง ม, มแล้วกระหลงเจ็บก็หลงไม่เจ็บมันก็หลงนี่เพราะอันนี้เอง ฉะนั้นคนเราจริงมีคนประมาทอยู่อยู่ด้วยความประมาทไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นคนแก่นั่นแหละแกมันอยู่ในหนุ่มหนุ่มมันอยู่ในแก่นีนไม่เห็นนะมันเป็นอย่างไม่ได้ปฏิบัติหนุ่มมันก็กั้นการปฏิบัติมันสนุกสนานแก่มาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงอันนี้ก็ไม่สนุกสนานแล้ว นี่ก็หาว่ะเราไม่ภาวนาอีกการดีสารพัดอย่างเท่านั้นนะแะนั้นท่านจะให้เตือนเจ้าของพวกเราน่ะอาศัยครูบาอาจารย์เตือนเราลองๆทุกที่ใครจะไปเตือนเราใครจะตามไปทุกเต้าจะ ต, ตามไหมใครจะไปตามเราเราจะไปตามไปสอนได้ปพิเยนาทิจารณาในมรรนในตัวมีสติอยู่เสมอ ความเมื่มันป so But ิดของเราอย่างนี้มิจะนั่นตั่นเจงไปพีเป็นคนเลิดเป็นผู้เลิศในหลักพุทธศาสนาท่าตะนิ่งแต่อย่างไรอย่างหนึ่งเกจะจะจะต้องเป็นผู้เลิศเลิดในพุทธศาสนาในธรรมะอย่าไปเลิดนอกธรรมะเลิดในธรรมะคือขอแวะปฏิบัติเน้นมดพวนนี้มันหวานอยู่กจริงแต่ว่ามันต้องอาศัยการกระทบประสบ คุณจะรู้จักว่ามันหวานมันเปรี้ยวจริงถ้าอย่างนั้นมันก็หวานไอ้ผลไม้สิ่งที่มันหวานไม่มีอะไรกระทบมันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติมันหวานไม่มีใครรู้จักอืมบางเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัจธรรมจริงอยู่คอยตามแต่คนในรู้จริงมันก็เป็นของในจริง ถึงมันจะดีเลือดประเสริฐสักเท่าไรก็ตามทีเดอะมันก็ไม่มีราคาแต่เพาะคนที่ไม่รู้เรื่องนี่งั้นคนจะไปเอาทุกข์ทำไมหรอใครจะรู้จักทุกข์วะใครในโลกนี้ปัจจุบันเอาทุกข์มอใส่ตัวมีมั้งไม่มีใครเท่านั้นเนี่ยไม่อยากได้ทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุทุกข์ให้เกิดขึ้นมา มันก็เท่ากับว่าเราสแสวงหาความทุกข์แต่ใจจริงของเราสแสวงหาสุขไม่อยากจะได้ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ไอ้ความตางความเป็นจริงแล้วก็ใจิตใจของเรา น, น่แต่ว่ามันไม่ต้องการความทุกข์หรอกแต่ว่าทำไมมันถึงสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาดัง เ<บ>รา <PTSD> ด well. ูเอาตนนีพอแล้วใจเราไม่ชอบความทุกข์แต่เราสร้างทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวของเราทําไมก็เห็นง่ายๆก็คือคนไม่รู้จากทุกข์เรนี้ไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จากเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้พ่อปฏิบัติของทุกความหลับทุกข์จิ้งประพฤติอย่างนั้นจิงกระทาอย่างนั้นจิงเห็นอย่างนั้นจิงพูดอย่างนั้น ยึ่งเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะมีทุกข์ได้อย่างไรเพราะคนทำอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นมิจฉาทิธฐิทังรุ่นนแหละแต่เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเลยพูดเราเลยยินเราเลยเห็นแต่มันเป็นทุกข์ เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นะถ้าไม่เป็นวิจชาทิฏฐิมันไม่ทุกข์อย่างนั้นหรอกมันไม่ยึดในความทุกข์นนั้นมันไม่ยึดในความสุขนั้นไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นอมันจะปล่อยวางไปตามเรื่องของมันเส้เกนกระแสน้ำที่มันเคยไหลามา ไม่ต้องต่้นกางมันให้มันไหลไปตามสะดวกของมันคนนั้นก็มันไหลอย่างนั้นกระแสรธรรมะมันเป็นอย่างนั้นกระแสจิตของเราไม่ดูจักธรรมะมันก็ไปกั้นกางธรรมะโดยที่ว่ามันเป็นมิจฉาชีพแล้วกะตะ็ตะโกนไปอื่นโน้มมิจฉาชีิมันอยู่ที่นู่นคนวโน้นเป็นมิจฉาชีิอยู่ที่นี่ แต่ตัวเราเองเป็นมิจฉาทิสติกคือทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะมิจฉาทิสติในเรื่องอันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณาเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นมิจฉาทิสติเมื่ อ, อไรมันเป็นทุกข์เหมือนนั้นไม่ทุกข์ในเวลาปัจจุบันนั่นต่อไปมันให้ผลมาไม่ต้องเป็นทุกข์ อันนี้พูดเฉพาะาคนเรามันหลงนั่นน่ะฉะนั้นอะไรมันปิดไว้อะไรมันบังไว้สมมุติมันบังดีมุิให้คนมองเห็นไม่ชัดในธรรมทั้งหลายนั้นต่างคนกัต่าง ศึกษาต่างคนต่างเราเรียนต่างคนต่างทำแต่ทำในความไม่รู้จักก็ mm hmm. เหมือนกับคนหลวงตะวันนั่นแหละเราเดินไปทางตะวันตกเข้าใจว่าเราเดินไปทางตะวันอกหรือ เ, เราเดินไปทิศเหนือเข้าใจเราเดินไปทิศใต้อย่างเนี้ยมันโนมขนาดนี้ เราปฏิบัตินี้มัน เ, เป็นช่วตของการปฏิบัติโดยตรงมันเนี่ยมันจะเป็นวิบัิวิบัตินี่คือมันพิกกลับไปคนละทางมหมดจากความมุ่งหมายของธรรมะ ที่คุณทำสิ่งทั้งหลายนี้สภาพอันนี้เป็นเหตุในทุกเกิดเราก็เห็นว่าอันนี้ถ้าทําขึ้นถ้าบนขึ้นถ้าท่องขึ้นถ้ารู้เรื่องอันนี้อืมมันจะเป็นเหตุในทุกดับก็เหมือนกับคนที่อยากได้มากๆเลย อะไรอะไรก็มีหามาบอกมากถ้าเราะไรมากกวก็ดับทุกข์นะที่เขาบอกมีทุกข์ไอ้ความตั้งใจของคนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมันมันคิดไปคนในทางเหมือนกันกับไอ้คนนี้ไปคิดเหนือไอ้คนนั้นไปทิดใต้นี่ก็ไปทางเดียวกัน ฉะนั้นพุทธบริษัทเราทังหลยจึงจมมนุษย์ทางงหนายจึงจมจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ในวัฏฏ์สุนารสารเพราะคิดอย่างนี้ถ้ามันมีโครคภัยไข้เจ็บมาก็นึกเตจะใไขมัรหาย์เลยนะในนึกเต ย, นะ ย, ยเลยอยากใจบรรพย์เลยนะี้ทางแข้บยเท่านั้น มนุษว ja ่าเอออันนี้มันตั้งฐานอะไรกมีใช่นิดหนึ่งตั้งฐานมันเรื่องนี้ไม่ได้ฟังนี่ละแต่ต้องเอาให้หายให้หมดอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายมันก็สู้ไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้หมด มี่คือเราไม่ได้คิดเลยเมื่อคิดไม่ทันนะมันไม่ได้คิดเลยแหะคือมันเห็นผิดนักก็ไปเรื่อยๆก็ไปอีการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนั้นนะให้มันเห็นธรรมะมันเลิศ ก, กัวสิ่งทั้งหลายเลยมันเลิศ ก, กัวสิ่งทั้งหลายพระพุทธองค์ให้สร้างบารมีตั้งแต่ทานะปรารมีไป ถึงปรมาถารมีเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักมันนี้เพื่อหเห็นธรรมะให้รู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะให้ใจมันเป็นธรรมะให้ปล่อยวางเพื่อจะไม่มีหนักใหญ่มั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันกจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าให้ยึดแต่อย่าให้มันมั่นมีก็ถือเหมือนกัน คือเราเห็นอะไรโดยจับขึ้นมาดูถ้ายึดมาดูครั้งอืออันนี้มันอ น, นั้นระวังนะเห็นอันั้นดีก็ยึดจับมาอีกแต่จะยึดให้มันมันม่นมาทีนาดูเรื่องจะล่อยวางมันถ้ายึดไม่วางแบกไม่อยู่กมันหนักตลอดเวลาถ้าเรายึดมาแบกดูสิว่ามันหนักพอควรหรือเปล่าที่มัน เรายึดมาใช้เนี่ยอันนี้มันเป็นทุกข์เรากะวางมันก็ใหตุทุกข์มันเกิดเยอะมากพอเป็นเช่นนั้นก็รู้จักว่าอันนี้มันเหตุทุกข์มันเกิดเมื่อรู้จักเหตุทุกข์เกิดแล้วนะ่ะทุกข์มันกจะเกิดไมนะ่ได้ทุกข์จะเกิดจู่จะเกิดมันอาศัยอัตตาตัวตนอาศัยเราอาศัยของของเราอาศัยสมุติอันนี้อืม ท่าซีนทั้งหลายเราหนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันวิ่งไปถึงมีมุดแ่มันก็เลิกถอนมันถอนสมมุติออกถอนสุขออกจากที่นั่นถอนทุกข์ออกจากที่นั่นถอนความยึดมัน่นหรือมันออกจากที่มันยึดนั่นฉทนั้นก็คล้ายๆไปเที่ยวไอของเราชิ้นหนึ่ง ม, ม, มันดุดมือจะหายไปแ้แเราก็เป็นห่วง เ, เป็นทุกข์มัน อีกเวลาหนึ่งเราไปพบของเรานั่งคืนมาไอ้ความทุกข์ก็หายเนี่ยไปทีเดียวยังไม่เห็นยังไม่เห็นวัตถุมันก็หายอย่างเราเอาของเราวางไว้ตรงนี้เราหลงเนาะตอนนี้ว่าของเรามันหายมัน่อทุกข์เกิดขึ้นอืเมื่อทุกข์เกิดขึ้น น, นี่มันก็จิตมันก็พวาวงอยู่ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนะอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่ง หิตใจของเราจะยิบตกไปถึงของของเราโอ้เอาไว้ตรงนั้นจริงแน่นอนเลยนะพอนึกอย่างนั้นรู้ตามความจริงนึกตายังไม่เห็นของเลยพอความรู้สึกว่าของเราอยู่ที่นั่นเร่านั้นแน่นอนเท่านก็สบายใจแล้ตรงนี้อันนี้เดียวกัมันเห็นทางในเห็นทางตาใจไม่ใช่ความาเห็นทางตานอกอนึ่นึ่งเดียวกันการใจ ถึงจายนอกอยังไม่เห็นมั่นก็สวายนะมันก็ร้อนทุกข์ออกทันทีอย่างนี้ก็เหมือนกันผููที่บำเพ็ญธรรมะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะประสบอารมณาเมื่ อ, อไรครบับมันก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาในทันท่วงทีเท่นั้นนะี่หายไปได้วางปล่อย แค่นั้นท่านจิงให้พอเราพบธรรมะอันนี้เราพบธรรมะเจตัวหนังสือพบธรรมะกับตำราอย่างนั้นมันพบตัวหนังสือมันพบเรื่องของธรรมะมันไม่ได้พบธรรมะตามความจริงที่พระบรมครูของเราสอนให้เห็นความจริงมันพบตัวหนังสือ มันพบเรื่องของธรร ม, มะมันไม่ได้ไพบธรร ม, มะ mm hmm. จะเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายในปฏิบัติดีีหยปฏิบัติชอบยังไงอะไรไม่ยมต้ไกลกันหลายเพราะนั้นถึงยยกว่าเป็นโลกวิทู พระพุทธองค์ท่านเห็นเป็นโลกเวทูรูจแจ้งโลกเดี๋ยวนี้เรารู้ไม่แจ้งเรารู้มันไม่แจ้งรู้ทรายยิ่งมืดไปขนาดรู้ทรายยิ่งมืดแต่มันดูมืดใจรู้มันแจ้งมันดูไม่ถึงนั่นเองนี่คือมันดูมืดรู้มันไม่แจ้งในสว่าง์ไปเบิกบ้าน ไอ้คนนำกระคาติดแค่นี้ท่านนะแต่ว่ามันไม่ใช่น้อยมันเป็นของมากทุกคนทุกสัตว์มันร่วนโดยมากเป็นผู้ทุชนเราเนี่ยมันต้องการความดีมันต้องการความสุขทัฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้จัก ว, ว่าเหตุใมันสุขทุกอะไรเกิดขึ้นอย่างนีน้อะไรทุกอย่างถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราก็ลับมันได้ มันจะชั่วขนาดไหนตะกร้ามันในดังถ้าเราไม่เห็นโทษอย่างจริงจังในเมื่ออะไรเราเราเห็นโทษมันอย่างแน่นอนจริงจริงสิ่งทั้งหลายเรานั้นเราึงจะปล่อยมันดนะังว่าพอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงจังพร้อมกับกางเห็นประโยชน์ในการไปทาอย่างนั้นในการประพฤติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นนทัน ท, ทีเปลี่นขึ้นอยนั้นทันทีเลย อันนี้ทําไมคนเร า, าปฏิบัติอยู่ทาไมมันถึงไปไม่ได้ทําไมมันถึงละไม่ได้คือยังไม่เห็นโทษมันอย่างเนี่ยครับคือยังไม่รู้แจ้งไงรู้ไม่ถึงมันรู้หึมมันถึงละไม่ได้ถ้ามันรู้แจ้งอย่างอรหันตสาวกดพระองค์สมบัติพะสมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วมันก็เลิกนั้น <c oughs> แก้ปัญหามันดุดไปทีเดียวเท่านั้นเนี่ยมันยากมันเป็นของยากมันเป็นของลําบาก มันก็เหมือนกับเราไงแะไอ้หูมันทํางานทางเสียงก็ให้มันทําตามหน้าที่ของมันดิไปตามันทํางานทางรูปกว่าให้มันไปเจ้าโมกมันทํางานทางร้มก็ให้มันิไปทํางานทางติ่นก็ให้มันไปร่างกายมันทํางานดังถูกต้องโภชนากาก็ให้มันทํางานไปมันดิอืม ไอ้แบมันทำงานทำงานตามหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะมีอะไรแย่งกันเมันเลยขัดขวางกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นสมมติแล้วก็ให้เลยสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมีมุตแล้วก็แบ่งมันเองแต่เราเป็นผู้รู้เฉยๆฉะนั้นรู้ไม่ให้มันตัดข้องอืรู้แล้วก็ปล่อยมันวางมันตามธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นอืม เราก็เห็นไหมที่เราเรียกว่าอันนี้ของเราอันนี้เราอ น, นีของเราใครเป็นคนได้พ่อเราได้น่แม่เราได้น่ญาติเรไ ด, รได้ใครได้นใครไ ด, รได้ไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ดันั้นพระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าวางมันซะวางมันซะ ปล่อยมันสะวางมันจะรู้มันนะรู้มันโดยที่ว่ายึดมันแต่อย่าให้มันใช้มันโดยทางที่มันเป็นประโยชน์อย่าไปใช่ที่ในทางที่มันเป็นโทษคือความยึดมั่นถือมันให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่บัญชันมันให้ใช้มันรู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้ อันนี้รู้ในแง่เทมันจะควรทุกขู้ไอความรู้อันนี้มันเป็นรู้ส่สำคัญไอรู้เครื่องยนต์กลไกรู้อะไรสารพัดอย่างนึงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไน่รู้ทำมากก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรมันมากหรือรู้เท่านี้ก็พอสําหรับผู้ปฏิบัติรู้เรามันวางอื ในจะไปตายมันถึงจะไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์แต่เมื่อไม่มีชีวิตอยู่เพรามันรู้จักแก่ปัญหาเพราะมันรู้จัก ม, มสมมตินี้่เอาเมื่อเรามีชีวิตเมื่อเราประพฤติปฏิบัติถือเองในที่เอาสี่งน อ, อย่างนั้นถ้าจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากยึดอย่างมันมั่น อย่างเี่นท่านอาจารย์ท่าไม่ไมพูดอย่า ง, มาออางไม่ให้สอนอย่างนี้แกว่าให้สอนอย่างไรไมให้พูดเนี่เพราะอันนี้มันแน่อย่างนั้นมันจริงอย่างนั้นจริงก อ, อย่าไปยึดมั่นมันด็กถ้าไปยึดมั่นมันก็เห็นไม่จริงทนาดเลยเหมืนสุนัขไปจับขามัน จับมันไม่ปล่อยวางมันนี่มันมุกมากัดเราละลองลองดูสิสัตว์ทางปวงมันกันงูมันก็ไปยึดหางมันจีหนูมันกันไปยึดมันจิยึดไม่ปล่อยมันไม่วางมันนี่ก็กัดเราตรนี้นี่แต่ยึดจะให้ปล่อยมันให้วางมันสมมตินี่สมมติกันให้ทําตามสมมติทําแล้วอย่าไปยึดมันถืมันมันให้ปล่อยมันวางมันแต่สมมุติที่มันเป็นของใช้เพราะนั้นให้มันสะดวก เมื่อเรามีจริยธรรนี้ไม่ใช่จะเป็นเรื่องเราไปยึดมั่นถือมันมันเกิดทุกข์ทรมานอืท่านั้นเนี่ยคนนีเอาไปท่นั้นอะไรสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกแล้วเราไปยึดมั่นถือมันไม่แบ่งใครในนั้คือเห็นผิดแล้วเห็นผิดเป็นวิชาทีตรี้ะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันเกิดมาจากอะไรเทวิมันคือเป็นวิชาทีตรีมันจึงผลมันจึงให้ทุกข์ ถ้ามันถูกผลมันเกิดมามันจะไม่ทุกข์ท่านให้ใช่ในเวลานี้ให้ใช่เท่านี้ท่านมาให้แบกมันมาให้ยึดมันมาให้มั่นมันถูกก็เป็นของสมมุติเดี๋ยวก็แล้วไปพิษก็เป็นของสมมุติเดี๋ยวก็แล้วไปนั้นอย่าไปม่นหมายมันถ้าเราเห็นว่าเราถูกแล้วอย่างนี้แต่คนอื่นมาแย่นอย่าไปอย่าไปยึดมัน ลอยไปไม่เสียหายแอะไรก็อยู่ไปอยู่ตามเรื่องมันหน่อยอยู่ตางเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเต่าเรารู้แล้วเราสะก่อยไม่ไปตรงนั้นใช่ไมันไม่ใช่อย่างนั้นดิมันไม่เคยยอมกันอีกไม่เคยยอมกันอีกย่างนั้นผู้ปฏิบัติของเรายังไม่รู้ตัวไม่รู้จิตใจของเจ้าของถ้าเราพูดอะไรจนกวที่ว่ามันโง่เต็ม ท, ทีแล้วก็ยังว่าเราฉลาดอยู่นะ่นอีกอืม เราพูดโง่จนคนอื่นฟังไม่ได้แต่แตแเราคนนี้ว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นจนคนอื่นทนฟังไม่ได้แต่ว่าเราดีเราถูกนี่นั่นแหละมันขายความโง่ของเราไม่รู้เรื่องเหมือนกันดัะนั้นปราดทั้งหลายท่านบอกว่าคําพูดอันใดวาจาอันใดที่ปราดปจากอืม อันนี้จังแล้วคําพูดอันนั้นไม่ใช่คําพูดของนักปราชญ์เป็นคําพูดที่งโง่อเป็นคําพูดที่หลงเป็นคําพูดที่ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเปิดตรงนั้นอมไม่รู้จักถ้าจารย์บอกว่าไอ้คาพูดอันใดที่มัน ปราศจากอดีจังคำพูดอันนั้นเป็นคำพูดขอ ง, งโง่ไม่ใช่เป็นคำพูดของนักกล่าวทำไมถึงเป็นอย่างเงินพูดง่ายๆกันแค่ให้เห็นว่าไอ้พวงนี้พวกนี้เราจะไปกรุงเทพตามธรรมดาตั้งใจแล้วว่าจะไปกรุงเทพยังมีคนถามว่าพวงนี้ท่านจะไปกรุงเทพหรือเปล่าคิดว่าจะไปกรุงเทพ บางทีก็ได้ไปบางทีก็ไม่ได้ไปถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องก็คงจะไปถ้ามีอุปสรรคขัดข้องก็เล้วไปนี่เดี๋ยวพูดอิงธรรมะอิงอนิจจังอิงความจริงอิงที่ของไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั่นเองไอแเจ้าพวนี้ฉันจะไปแน่ ถ้าไม่ไปทำไงกันไหมจะยอมให้ค่ามหมให้แกนไหมอะไรพูดกันมาว่าบอบอางแต่ความเป็นจริงถ้าไหำพูดที่ไม่ปราศจากอนิจจังนี่มันกลายเป็พูดกันไม่ปานมันยังเหลืออยู่มากเหมือนกัน การปฏิบัติทำไมมันลึกซึ้งไปตเตตะเตมองไปเห็นว่าเราพูดว่าถูกแต่่ามันผิดไปทุกคำพิดไปจากดักวามจริงทุกคำแต่ตอนนึกว่าเราพูดถูกไปทุกคำตอนนีน้แต่พูดยังไงพูดอะไรบางทำอะไรบ้างอันที่มันเป็นเหตุนในทุกเกิดนั่นแหละ จกทำให้เป็นวิชาทิศิคนหลงคนโง่โดยมากนักปฏิบัติของเราไม่คอยจะทบทวนอย่างนี้เห็นเราดีก็ดียืดยื้อไป จินตนาเราลเลไปพบอันหนึ่งเราลเลยไปได้อันหนึงเป็นมาคือเรื่องว่ามันดีดีตลอดการตลอดเวลาแต่กระทือเนื้อถือตัวขึ้นมาไม่ดูจากว่าเรานี่คือใครที่ว่าดีมันเกิดมาจากอะไรเดินกับนายนายคอนายขอเหมือนกันหรือไม่อย่างนี้ถ้าพูดแต่องค์ท่านในวางเป็นปกติอย่างนี้ ถ้าเราไม่ชับถ้าเราไม่ปกไม่เขี้ยวไม่ปฏิบัติคนว่าอันนี้ตัวเรียกว่าอันนี้มันก็ยังจมอยู่จมอยู่ในใจของเรานเนาะที่ก็ไปติดหาบังติดยดบังติดเสนเสวนบัง็ ร, ง ร, งรงเปลี่ยนไปคนอนื่น ต้องพันมานเราดีขึ้นแล้วต้องพันมาเราโลดขึ้นแล้วต้องคันมาเราเป็นโน่นเป็นนี่แล้วส้องพันไปนหมดแร้มันก็เกิอดอะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายฮความเป็นจริงเองมันไม่จะไม่เป็นอะไรคนเรามันเป็นแต่สมมุติถ้าพนสมมติไปถึงมีพุดเดี๋วมันก็จะไม่เป็นอะไรเป็นสามัญญะลักษณะมีลักษณะเสมนกัน มีความเกิดขึ้นบนต้นมีความแปลี่ในสรรต่า ง, างมีความดับในทีสุดมันก็ถึงแก่นั้นเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นเน่มันก็มีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นน่ยมันก็สบาย ม, มันก็สงบที่มันไม่สงบก็เหมันปัญจบักคียปจะพุตธการูบาาจารย์มาซ้อน มเมื่อท่านคลิกแพงไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะคิดอะไรท่านจะทําอะไรก็เลยเหมองว่าท่า น, นท่านตายความเพียรเรีย น, ยนม้าความบากพร่ออย่างนีน้ถ้าตัวเราเป็นอย่างนั้นก็คงจะคิดอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางแก้ไขอย่างนั้นคนอื่นเป็นอย่างนี้เนื่อว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นในความเป็ น, นนะปจริงนะพระพุทธเจ้าท่านเดินขั้นสูงนไปอีกจากพวกเรา เรายังถืออยู่อย่างเก่าเราคิดไปนในทางต่ำเรนคิดว่าเราคิดไปนในทางสูง<ม>เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราคิดว่าท่านทายความเย็นเนี่ยเย็นมาศักมากมากแล้วเหมือนพอปัจจับักีปฏิบัติบักีพัรษาเนี่ยลองดงูขนาดนั้นก็ยังหลงอยู่เนี่ย ไม่ถนัดท่นนั้นพระท่านจริงเลยทำงานไม่ตรวจดูผลงานของจต่ของคือมันไม่ยอมในเรื่องที่มันไม่ยอมแต่ที่เรื่องมันยอมมันก็สลายตัวไปท่านหนึ่งถ้ามันไม่ยอมมันก็ตั้งตัวขึ้นมามันไม่สลายมันเป็นก้อนอย่าเป็นตัวอุปทานอาง มันมีนการแบ่งเบานักบวชนักโดเราโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าติดอยู่แง่ใดก็ดึงอยู่แง่นั่นเนี่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาไอ้ความผิดมันอยู่ในความถูกเห็นว่าเราถูกแล้วก็เห็นว่าเราไม่ผิดไอ้ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูกแต่เราไม่รู้จัก เป็นอย่างไรอันนี้เน่ถูกแล้วแต่คนอื่นว่าไม่ถูกก็ไม่ยอมเถียงกัน น, นี่อะไรคิดทิมานะคิดทิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้ถือไว้ถ้าเรายึดในสิ่งที่มันถูกก็ไปล่อยให้ใครถึงนั้นก็ดีกว่ามันผิดมันผิดเดียวนั้นน่ ถือถูกถูกรู้เมา่คิดเดียวนั้นยึดมั่นถือมันในความผิดในความถูกนีมันเป็นเป็นขึ้นเดียวนั้นไม่ใช่เป็นงการปล่อยวางอันนี้ทำเป็นเหตุให้คนเราที่ไม่ค่อยสบายนอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติหวังแง่นี้กลุ่มนี้มันเป็นส่มที่สำคัญท่านจะจดไว้ พอพูดไปพ่อพูดไปถึงผมเนั่นปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นมาทันทีความยึดมัน่นหรือมันมันวิ่งข้มา ท, าทันทีเลยอันนี้ไปนานบางทีก็เป็ น, น, นวันสองวันสามเดือน4ีเดือนปีก็ได้ขนาดมันช้าขนาดมันเร็วมันจะวิ่งสกัดหน้าเลย ไอ้ความยึดขึ้นมามีพุบไอ้การปล่อยบังคับให้วางในวีรา น, นั้ น, นแล้วก็ต้องเห็นสองอย่างนี่มีเืยๆไปอันนี้มันเป็นยึดไอ้ผู้ที่มหาห้ามความยึดดูไปเมื่อเราถูกอารมณ์เมื่ อ, อไรครับมันเห็นสองอย่างมีพร้อมกันประสานงานการตัวยึดมันมี้ผู้ที่มหาห้ามความยึดน่นมันมีแล้วดูสองอย่างนี้เท่านั้นแหะไป แก้ปัญหานี้บางทีมันก็ยึดไปนานก็ปล่อยแต่พิจารณาเรื่อยไปทําไปด้วยไปเกิดขึ้นมาพิจารณาเรื่อยไปก็ค่อยบรรเทาไปน้อยไปพิจารณาไปอความเห็นถูกมันก็เพิ่มขึ้นมาความเห็นผิดมันก็หายไปความยึดมันถือมันมันน้อยความยึดมันถือมันมันก็เกิดขึ้นมา มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นตัน้งใงให้พิจารณาอันนี้แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันบางทีไอ้ตัวนั้นมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้ก็วิ่งสปตัดผุบเลยหายไปเลยอันนี้เราดูภายในของเราเราาดูภายในของเรา แก้ปัญหาเฉพาะภายในของเราเองถ้าเราแก้มันไม่ได้เป็นต้นตรงนี้ปลุ่มนี้จับไว้มเมื่อมันเกิดดีทีไหนเรพิจารณาตรงนั้นเท่องอยู่พระกุทองค์อยให้เท่งเท่งตรงนั้นเห็นมากอย่ที่ทำให้มากที่ถนนฝ่าอานนอืน อันนู้าำไม่มาก